พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบหกลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าเกิดมาถูกที่แล้ว วันนี้เป็นวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นวันพ่อแห่งชาติคำว่าพ่อคำนี้พ่อแม่พวกเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นบุพาจาร์พ่อแม่เป็นพรหมของบุตร ผู้มีเมตตาต่อบุตรธิดาพ่อแม่เป็นบุพกาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกที่สอนบุท ธ, ธิดาพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดาไม่ใช่พระหันของทุกคนนะเป็นพระหันของบุตรธิดาบางคนก็เซื่อเซื้อมาถามหลวงพ่อเอาจะไม่เปรียบเทียบพ่อตนเองแม่ของเรานี่ เป็นพระหันจะไม่เปรียบเทียบสูงเกินไปเหอนะเอรอหลวงพ่อก็เลยนึกในใจทาไมเซ่อโง่นักท่านก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่เป็นพระหันของบทธิดาเนี่ยของลูกหญิงลูกชายไม่ใช่เป็นพระหันของทุกคนถ้าว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระหัน เ, เพียงแค่นั้นเนี่มันก็เปรียบเทียบกับพระหันมันก็มันก็ไม่ถูก ถ้าว่าเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดานก็ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยตัวเองจะประมาทหรื อ, อจะไปตีปลาสตีเสมอเหรืออันนี้พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณตั้งแต่ศีรษะจนจดฝ่าเท้าของเราเนี่ยเราได้มาจากใครได้มาจากท้องแม่เนี่ยนี่แหละนี่ว่าพ่อแม่ เ, เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ ให้ธาตุขันของเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าอันนี้เป็นวันที่ว่าเป็นบุคคลที่ว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเทียบเท่ากับพระหันของบุทธทิดาแล้วก็เป็นบุพพายา์เป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดาก็ว่าบุพพาจาย์คืออะไรก็คือเป็นผู้สอนสอนบุท ธ, ธิดาให้รู้จักสอนเป็นคนแรก พอลืมตาขึ้นมาพอที่จะพูดได้แม่ก็สอนละแม่พยายามสอนลูกละจากนั้นลูกก็พยายามเรียนรู้จากแม่จากพ่อก่อนรู้จักอยากขิวน้ำต้องการอะไรพ่อแม่ก็มองดูว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรพ่อแม่จะต้องดูจากนั้นก็สอน เป็นคนสอนบุตรธิดาก่อนใครอื่นท่านจึงว่าพ่อแม่เป็นบุพพาจารย์พอเราตื่นขึ้นมาเราลืมตาขึ้นมาก็เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนใครอื่นท่านจึงเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เป็นทิศเบือเ้องหน้าทิศเบื้องหน้าคือทิศตะวันออกตื่นขึ้นมาก็มองลืมตาขึ้นมาก็เหน็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนเรีว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตร บุดาควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อทิศเบื้องหน้าเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจระของท่านดํำรงบ่งสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรดาที่จะปฏิบัติ ต, ต่อทิศเบื้องหน้าปฏิบัติ ต, ต่อบุพก า, ารย์ ปฏิบัติต่อพรม ป, ปฏิบัติต่อพระหันของตนนี่แหละอันนี้ก็คือบิดามารดาวันนี้ก็เป็นวันพ่อวันสิบสองสิงหาเป็นวันแม่เป็นวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติก็คือวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือวันที่ห้าธันวาคนทั้งชาติาก็ยกว่าเป็นให้ยกพอเป็นวันพ่อแต่วันสิบสองสิงหาเป็นวันพระราชินีพวกเราก็ยกว่าเป็นวันแม่วันแม่แห่งชาตินี่แหละถึงยังไงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของประเทศชาติ อันนี้เรามองข้ามไม่ได้ชาติไทยเป็นมาอย่างไรต้องมีประวัติศาสตร์าศาสนาเป็นมาอย่างไรก็ต้องมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาไม่ใช่ว่าปุก ป, ปับขึ้นมาเกิดมาในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ความเป็นมาของชาติเป็นมาอย่างไรชาติไทยความเป็นมาสองศาสนาพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรความเป็นมาของพระมหากษัตริย์ไทยเป็นมาอย่างไร นี่แหละคือสามสถาบันหลักวันนั้นของพวกเราทุกๆท่านนะถ้าว่าใครก็ตามปาหมาดพ่อแม่ของตนเองปาหมาดชาติก็เองปาหมาดพระพุทธศาสนาก็ตามปาหมาดพระมหากษัตริย์ก็ตามล้วนแล้วจะเป็นผลอกตันอยู่พูดง่ายๆเป็นอัปมงคลสําหรับชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราเพวัะ น, นั้นให้พวกเราลําลึกถึงพระกุลเราเกิดมาจากพ่อแม่ เราก็ต้องให้ลํำลึกถึงพะกลูนของพ่อแม่ของเราผู้มีอุปกรคุณเราควรจะช่วยเหลือท่านอย่างไรเมื่ออายุท่านเท่าแกชรลาท่านทุพพลภาพท่านช่วยตนเองไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะต้องดูแลท่านเลี้ยงดูเรามาเลี้ยงมาเพื่ออะไรนในใจของท่านลึกๆท่านก็บอกว่าเมื่อเห็นลูกชายเกิดมาเออ ขอให้ลูกชายได้บวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นบุญกุศลของเราพ่อทั้งแม่ท่านก็ต้องได้คิดเอาไว้เหมือนกันอันนี้ก็เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วนะท่านเลี้ยงมาเพื่ออะไรท่านเลี้ยงมาเพื่อเมื่อเท่าแก่ชราช่วยตนเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยลูก เพื่อในพึ่งพาอาศัยลูกลูกของเราก็จะได้เลี้ยงดูเราเวลาเมื่อคราวจำเป็นแต่ถึงยังไงถึงพ่อแม่เลี้ยงลูกมาไม่ได้มุ่งหวังพึ่งเขาหรอกนะอันนั้นก็พูดแบบแบบไกลๆแลว้วบอกพูดที่บางทีก็อาจกจ็ไม่ได้ใช้ไม่ได้พึ่งเขาจริงๆเพราะลูก ไม่ให้ความพึ่งพาอาศัยไม่ให้ความใส่ใจพ่อแม่กระพูดแต่แต่ส่วนใจลึกๆแล้วพ่อแม่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกถ้าลูกดีนะถ้าลูกไม่ดีก็จะทํำยังไงจะพึ่งพาอาศัยเขาก็ไม่ได้จะพึ่งไหนได้ไงพราะลูกไม่ดีถ้าลูกดีแล้วพ่อแม่ก็ต้องหวังพึ่งลูกวันยังค่ํานั่นแหละเพราะนั้นเราเลี้ยงลูกมาก็เหมือนกันถ้าเรามีลูกมาเนี่ยเราเลี้ยงมาเพื่ออะไร ในใจของเราถามเลยสิเราเลี้ยงมาเพื่ออะไรเราก็มีความหวังเหมือนกันเออท่านเราเท่าแก่ชราเราช่วยตนเองไม่ได้ อ, อลูกของเราก็คงจะได้ช่วยเราเมื่อเขาวจําเป็นเมื่อเขาขับขันหรือเมื่อเราเท่าแก่ชรานียเราก็ได้คิดทุกคนนั่นแะที่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาก็เพื่อให้พวกเราช่วยเหลือเมื่อคราวจําเป็น เมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่ปารบถึงปารบถึงพ่อแม่ก็คือว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราสำนึกไว้อยู่ในใจเสม อ, เ, อเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีมากๆ ดูซิต่างประเทศของเขาทุกวันนี้อาหารจะไม่พอกินเขากินอาหารเป็นเวล่ำเวลาอีกต่างหากพอหมดเวลาเขาก็ปิดร้านอาหารแต่เมืองไทยของเรานี่อาหารสมบูรณ์บริบูรณ์เหลือเฟือฟุอฟ่งเฟือยถ้าจะเปรียบเทียบต่างประเทศถามดูสิว่าไปต่างประเทศน่าอยู่ไหมพอกลับมาแล้วก็สวยงามจริงอยู่มีกฎระเบียบจริงอยู่ แต่ไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่เหมือนเมืองไทยก็ไม่แน่เหมือนการบางทีพวกเราเอาจจะติดถิ่นติดฐานก็ได้ในจุดนี้นะแต่ถ้าเราไปทดลองไปทดสอบตัวเองนะจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเป็นยังไงแต่สำหรับหลวงพ่อไปขนาดไปใกล้ๆเหล่านี้หลวงพ่อก็ยังบงอกเมืองไทยของเรานี่น่าอยู่กว่านะี่เพราะนั้นอขอให้พวกเราทุกท่าน นับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยปฏิรูประเทสวาโซจะอยู่ในประเทศที่ธรรมาชาติไม่ได้ฆ่าเราเท่าไหร่ฝนก็ไม่ได้ตกถล่มเท่าไหร่เหมือนไม่เหมือนฟิลิปปินอย่างเมื่อกี้เห็นไหมคนตายเป็นหมืน่นจะไปหลบปลีกปลี้อยู่ที่ไหนกันลี้ถเถอะพอมันฝนมาถล่มอย่างแรง ถ้าไปอยู่ใกล้ใต้สพนะพานน้ําก็ท่วมนะไปอยู่ข้างบนลมก็พัดน้ําก็หลากนะผลที่สุดมาอยู่ที่ไหนคนใครๆครเขาหาที่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละในยามคับขันเช่นนั้นแต่มันหาไม่เจอมันหาไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนกันเนะี่ยผลที่สุดก็น้ําท่วมทั้งลมทั้งฝนทั้งอะไรต่อมิอะไรคนตายเป็นหมื่นนะเมืนะ่อนกะีนะ้เนี่ย ท, ที่ฟิลิปปินสนะ์นี่นแหละเมืองไทยของเรายังไม่เคยมีมีแต่สินามิเมื่อคราวที่แล้วเนะี่ยคนที่ตายอยู่ในทะเลก็มีบ้างน้ําทะเลกระชอกนะนี่แหละจากนั้นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรื่องหนาวก็ไม่เท่าไหร่ร้อนก็ไม่เท่าไหร่แล้วหิวโหวยก็ไม่มีเลยละข้าวไม่พอกินอาหารไม่พอกินไม่มีในเมืองไทยเหลือเฟือฟุ่งเฟื่อย เรื่องอาหารการบริโภคแล้วก็ธรรมชาติก็ไม่ได้เบียดเบียนเราเท่าไหร่แต่ประเทศรอบบ้านรอบด้านของพวกเราอย่างที่จีนอย่างนี้อย่างเวียดนามนีฟิลิปปินส์เนี่ ย, ย, ย, ย, ย, ยพวกเราได้ฟังๆแลก็ธรรมชาติรู้สึกว่าหลังแกพอสมควรแต่เมืองไทยของเรานี่ว่าเป็นผู้เป็นประเทศที่โชคดีนีนว่าปฏิรูประเทศสวาโซจะัก ปุบเพจักรตะปุญญาตาเน่ยพวกเราคงได้สร้างบุญไว้ในอดีตจึงมาเกิดในสถานที่ที่เหมาะที่ว่าไม่มีพิษมีภัยไม่มีธรรมชาติลังแก่เบียดเบียนอันนี้ปฏิรูประเทสวานโซจ่าเนีปุบเพจักรตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิอัตตะสัมมาปณิธิให้ให้พวกเรามาเกิดในสถานที่ดีอย่างนี้แล้ว อย่าประมาทให้ตั้งตนไว้ชอบให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้แต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้พลัดจากชาตินี้ลงไปพวกเราอาจจะไปเกิดเป็นไปเกิดที่อื่นได้เพราะว่าเราครองแชมป์ไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นแหะเนี่ยถ้าว่าเราครองแชมป์ได้กับเ ข, า, ขาเราก็ประกอบคุณงามความดี รักษาแค้มวดกวดขันตนเองมีแต่ประกอบคุณงามความดีเราก็เกิดในสถานที่นี้ตลอดไปเพราะเราของแชมป์แต่ถ้าว่าเราตกแชมป์เราทำความชั่วมีอะไรเกิดขึ้นกทำความชั่วเชื้อะเสียหายเราอาจจะไปเกิดเป็นประเทศอื่นที่ประเทศที่กันดานเพอเพอจะตกนรกหมกไหมซะก่อน ไปเกิดเป็นสัตว์ทีรฉนันช้างมาวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราวิญญาณของเราเนี่ยตัวรู้รู้เนี่ยมันจะไปเกิดในสถานที่ต่างๆได้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะศัทา ย, ยาติโยมทุกท่านนะเกิดมาในพื้นแผ่นทนดินไทยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทได้อยู่ในชาติไทยแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุข ในศาสนาพุทธศาสนาอีกสอนคนให้เป็นคนดีแล้วก็พระมาหากษัตริย์ก็เป็นผู้ปกครองโดยธรรมนับถือพระพุทธศาสนาอีกท่านได้บวชเป็นตัวอย่างอีกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านยังออกบวชให้พวกเราได้เห็นอีกเป็นว่าท่านเชิดชูพระพุทธศาสนาอย่างสุดซึ้ง วพระมาหากษัตริย์นี่แหละพวกเราจรึงนับว่าเป็นผู้โชคดีที่มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยที่ชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่างเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยพวกคณะสัตธ์ทยยาจวงเขาเอาลงเฟซบุ๊กมั้งยูทูบหลวงพ่ออิน เขามาหาหลวงพ่อแต่เขาเอาลงไม่หมดนะมันเพราะมันหลวงพ่อพูดยาวไปสักหน่อยหลวงพ่อบอกว่าการที่จะเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยพวกเรานักธุรกิจทั้งหลายควรปฏิบัติตนอย่างไรนคือเขามาถามหลวงพ่อเพราะเดี๋ยวนี้เพราะว่าต่างคนก็ต่างคอคล้ายๆก็แข่งแย่งกันนะ่ะพูดง่ายๆ ต่อมาด้กันนะขายของให้กันขายพวกเพชรนินจินดาของที่มีคุณค่ามีราคาถูกเบี้ยวกันเป็นฟังๆเป็นหลายๆสิบล้านเหมือนกันฟังๆดูแลว้วก็น่าใจหายเหมือนกันนะเพราะคนมันขาดศีลธรรมจริยธรรมที่ดีต่อกันหลวงพ่อบอกว่าการที่จะเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยประชาคมอาเซียนต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีศีลห้า ต้องมีศีลห้าถ้าว่าพวกเรามีศีลห้าอยู่ด้วยกันถึงจะมากจะน้อยอย่างไงคนที่มีศีลห้าไว้เนื้อเชื่อใจกันนะเพราะศีลห้า เ, เป็นศีลคุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะศีลถ้าคนไม่มีศีลไม่มีกฎไม่มีกติกาอยู่ด้วยกันโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนพลุนวายไปทุกหัวละแห่งไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ศีลห้าคืออย่าคิดฆ่ากันถ้าเราคิดฆ่ากันคนนั้นคิดฆ่าเราเราคิดฆ่าคนอื่นเขาเราจะหาความสงบสุขได้ยังไงราอย่าคิดฆ่ากันอย่าคิดขโมยกันให้ครพสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันอย่าโกหกกันอย่าไปดื่มสุราให้ขาดสตินี่แหละถ้ามีศีลห้าแล้วก็มีความ พาสุขถ้าอยู่ด้วยกันจึงจะเข้าประชาคมไหนกับประชาคมประชาคมยุโรปประชาคมอาเซียนประชาคมประเทศไหนก็เถอะถ้ามีศี่ห้าคุ้งพองแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นแหะถ้าทางว่าขาดศีลธรรมแล้วมีเตเล่ห์แตเลี่ยมแต่ชั้นแต่เชิงหักเล่หักเกลี่ยมกันคดโกงกันอย่างนีนะ้จะหาความสงบสุขได้ยากเพราะอะไรเพราะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน พรขาดศีลธรรมขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมถ้าคนมีศีลธรรมในจิตในใจแล้วไปนสถานที่ใดไว้เนื้อเชื่อใจกันการทำมาค้าขายต่อกันก็มีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันนี่แหละก็ความสงบปุ่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนนะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเพราะหลวงพ่ออยู่ในศีลในธรรมนะอยู่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นหลวงพ่อจึงอ้าง อิงถึงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศินคุ้มของโลกจริงๆแต่มาพิจารณาเหลี่ยมไหนมุมไหนชั้นเชิงไหนก็ตามสินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสินห้าที่ทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขทกหัวและแห่งถ้าผู้ใดยึดสินห้าหรือว่ามีกฎกติกามีกฎหมายสินห้าเนี่ยคุ้มครองแต่ถ้าว่าขาดศินห้าลงไปแล้วเนี่ย ต่างคนก็ต่างไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนนะวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่ห้าธันวาห้าหกแล้วก็นี่แหละบ้านเมืองของพวกเราก็ไนะีสารว่นวุ่นวายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่พวกเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจตนาดีไม่เจตนาดี แต่เราคนนึกมีแต่นึกเดาถามคนหนึ่งขวัวคนหนึ่งไหวหนึ่งถามคนหนึ่งคนหนึ่งก็ไหวยอย่างหนึ่งพรอธนาจิตต่างนานาทัศนะแต่ถึงยังไงพวกเราไม่รู้มีแต่ตั้งจิตอธิษฐานอย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเนาขอให้เทพเจ้าเราเทวาทั้งหลายสิงสถิตยอยู่นะชั้นใด16บชั้นฟ้า15ชั้นดินอย่างที่โบราณเคยว่าน่ย ผู้เคยปฏิบัติในศิลในธรรมในประเทศไทยประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือเป็นพระมหาเทระมาก่อนได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพื้นแผ่นดินไทยได้ล่วงรับดับขันไปไปสู่สวรรค์ชั้นพรมจะเป็นอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมชั้นใดก็ตามยสวรรค์ชั้นใดก็ตามผู้มีอิทธิฤทธ ผู้มีหูทิพตาทิพใจที่เป็นทิพใจที่เป็นธรรมให้มองลงมาในพื้นแผ่นดินไทยในช่วงนี้ด้วยเอินขอบันรนบรรดาลให้คนในชาติเป็นสัมมาทิฏฐิสิ่งไหนผู้ใดก็ตามถ้าคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีผู้นั้นก็ให้แพ้ภัยไปเองให้แพ้ภัยตนเองแต่ใครคิดดีทดําดีพูดดีก็ขอให้พวกนั้นบริหารประเทศชาติบ้านเมืองดูแล ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ ร, ร่มเย็นเป็นสุขด้วยบุญบา ร, รมีของเทพเจ้าเราเทวาผู้มีหูทิพตาทิพทีมเป็นธรรมเราต้องการความเป็นธรรมนะเราไม่ต้องการเรื่องกิเลสโลภโห ม, โมโกนะเรื่องโลภโห ม, โมโกนะมันมีอยู่ในโลกอยู่แล้วแต่เราต้องการผู้ที่เป็นหูทิพมองดนะมันคิดโพดมันคิดเรื่องอะไรผู้ติตาทิพ อ, อมองเห็นเลยมองเห็นว่าตานี่คิ ด, คดเรื่องอะไรใจที่เป็นทปเทพใจที่เป็นกุศลแต อ, อมองดูแล้วพวกนี้มันคิดเรื่องอะไรนะถ้าคิด ไ, ไปในทางที่ไม่ถูกต้องแปลว่าให้เทพพ ย, ายดาทั้งหลายไม่ให้ช่วยเพราะงั้นเถอะให้ไปตามที่ไปตามบาปกรรมที่ตนได้กระทาไว้แต่ผู้ใดทํากรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีก็ขอให้เจริญยิ่งะ เรามีแต่ตั้งจิตอธิษฐานเท่านั้นละ่ะหลวงพ่อนะไม่ได้เข้าเสื้อแดงไม่ได้เข้าเสื้อเหลืองไม่ได้เข้าเสื้อสีกักไม่ได้เข้าเสื้อสีฟ้าสีอะไรทั้งหมดเข้าธรรมจึงไหนที่เป็นธรรมถูกต้องเป็นธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเกื้อกูลหนุนกันอีกใจเป็นธรรมคิดเป็นธรรมพูดเป็นธรรมทําออกมาทุกอย่างเป็นธรรม เราเชิดชูบูชาคนที่คนที่อยู่ในธรรมถ้าอยู่ในโลกนะั้นโรบอย่างั้นรวยอย่างนั้นโกรธอย่างนี้หลงอย่างนั้นเราไม่เห็นด้วยนะเพราะนั้นหลวงพ่อว่าเขขอให้เชิญเทพเจ้าเหล่าเทวาที่ในปฏิบัติอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยได้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์แล้วขาขอให้มองลงมาในพื้นมนุษย์มองลงมาในพื้นแผ่นดินไทยขอให้มีฤทธิ์อํานาจ ช่วยปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองอย่าให้ถึงได้ฆ่ากันเถอะคนชาติไทยเหมือนกันให้มีเมตตาต่อกันให้รักกันเหมือนกับพี่กับน้องแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันนี่แหละหลวงพ่อได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นลูกหลานคณะทศทาญาิโยมลูกหลานทุกคนเน้อต่อเนี้ไป รับพรนะทีนีนะรับพรวันพ่อนะวันนี้นะ